เรื่องพันนานารกสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพันนาเรื่องนรกให้ผู้ควรเกิดในนรกฟังเขาตกใจถึงแก่ความตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบดับตา ร, ราชิกหรือหนาจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคที่ทรงทราบพระองค์ต ร, ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความผระสงค์จากข้าไม่ต้องอาบดับวงเล็บเรื่องที่91 สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จาก่าจึงพันนาเรื่องนรกให้ผู้ควรเกิดในนรกฟังเขาตกใจถึงแก่ความตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตตปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปการาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบร้องตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่92สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง มีความประสงค์จะฆ่าจึงพนาเรื่องนรกให้ผู้ควรเกิดในนรกฟังเขาตกใจแต่ไม่ถึงตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตตปาราชิกแต่ต้องอบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่9กบสา